ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีคหกกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เหตุเงินล้านบ้านสามเรือนบุรณาการองค์ความรู้ยกระดับวิสาหกิจชุมชนหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินพรผู้อภิสิทธิรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการบุรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีข่ารราสตร์โดยมีอาจารย์พลพัฒน์พลบณ์หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานกลางนี้และได้รับเกียรติจากคุณสุชาติเต็งประเสริฐประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะครอกล่าวสนับสนุนความร่วมมืออีกด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือนได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อนำองค์ความรู้ของนักศึกษาร่วมบรรณ า, าการและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปหรือกลุ่มอาชีพชุมชนให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัด ก, การกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เข้าสู่ตลาดสากลและเกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรชุมชนและสถาบันอุดมศึกษานันทนาสีมาวิทยุราชมงคลระ น, นาครรายงานอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยสึนามิระบุยังอยู่ในระดับเสี่ยงและอันตรายนางดวิโคริตาคานาวติ ประธานสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีวิทยาของอินโดนีเซียได้ถแถลงการแจ้งเตือนภัยจากสึนามิบริเวณช่องแคบซุนดายังคงอยู่ในระดับอันตรายเนื่องจากภูเขาไฟอานักกรากาตัวยังคงประทุสภาพภูมิอากาศที่บริเวณภูเขาไฟที่ยังคงรุนแรงทะเลในช่องแคบซุนดามีคลื่นสูงอาจทําให้ผนังของภูเขาไฟอีกด้านถลม่มลงมา เมื่อผนังภูเขาไฟร่วงลงมาทะเลอาจทำให้เกิดสึนามิได้จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและอยู่ห่างจากชายหาดอย่างน้อยประมาณ500เมตรถึง1กิโลเมตรโดยสำนักงาน BMKG ได้จัดหาแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งจะช่วยให้ประชาชนอินโดนีเซียสามารถติดตามสถานการณ์สดเกี่ยวกับภูเขาไฟอานักกากาตัวได้ขณะนี้หน่วยค้นหาของอินโดนีเซียสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว 429ศพบริเวณจังหวัดบันเ็นของเกาะชวาและจังหวัดลำพุงบนเกาะสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในช่องแคบสุนดาด้านสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,400 รายมีบ้านเรือนและเรือเสียหายจำนวนมากและทาให้ประชาชนจานวนกว่า 16,000 คน